กอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปาธมยาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิคุนี่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อยากจะให้มันเป็นธรรมเนียมนะใครที่ฟังก่อนเข้านอนจริงๆก็อยากจะให้มานั่งสมาธิมีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ฟังธรรมไปด้วย แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะฟังได้ในเวลาก่อนนอนต้องมาฟังย้อนหลังในช่วงกลางวันช่วงเวลาว่างในเวลากลางวันเนี่ยก็อยากให้มีสติที่เป็นสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจคอยเห็นกายอันหนึ่งคอยเห็นใจอันหนึ่ง คอยเห็นความรู้สึกในใจอันหนึ่งแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องสำนวนน่ะที่สำหรับคอหนังจีนหรือว่าหนังสู้รบเนี่ยคงจะเคยผ่านหูกันมาบ้างเขาบอกว่าลิ้ยงทหารร้อยวันพันวันหมื่นวันเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละ สำหรับคนที่ฟังแล้วนี่ก็อย่าเพิ่งคิดนะว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องการรบราค่าฟันหรือมาคุยเรื่องเกี่ยวกับหนังซีรีส์สู้รบอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกลก็จะเทบเคียงให้ฟังนั่นแหละว่ามันก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นทักษะทางด้านจิตใจใช่ เราก็ต้องคอยหมั่นที่จะเพิ่มทักษะทางจิตใจทักษะอะไรทักษะที่เราจะสู้กับความทุกข์ทักษะที่เราจะทำความสงบให้มันเกิดขึ้นทักษะที่เมื่อเราโดนผัสสะแล้วเกิดความทุกข์แล้วเราจะบริหารจัดการมันยังไงให้ความทุกข์ที่มีเนี่ยมันลดลงลดน้อยลงแล้วก็ ทำให้มันไม่กลับกัาเริบขึ้นมาได้ใหม่ซึ่งมันเป็นทักษะนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเออเวลาคนที่เขาปฏิบัติทาได้ดีเราก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้เห็นเห็นกันเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เราเชื่อมั่นได้เนี่ยแหละว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์อีกแล้วก็เป็นผู้ที่ถึงความสุขอันละเอียดประณีต ซึ่งเวลาที่มาเทียบเคียงกับคนที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความรวดเร็วความชมนานาญความช่อมชองในการที่จะมาบริหารจัดการความทุกข์สำหรับมือใหม่เทียบกับคนที่ฝึกมานานมีความชมนานาญก็ต่างกันความสงบความเยือกเย็นเวลาที่เกิดเรื่องราวที่มากระทบใจผลลัพธ์ ของผู้ที่ฝึกดีแล้วกับผู้ที่ไม่เคยฝึกหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยผลลัพธ์ก็เห็นกันได้ไดชัดเจนแหละว่าคนที่ไม่เคยหัดปฏิบัติหรือคนที่ปฏิบัติมาน้อยหรือยังไม่ชนานาญเนี่ยความหวั่นไหวของจิตใจก็มีมากความกระทบกระทั่งเข้ามาในจิตใจก็มีมากแต่สำหรับบุคคลที่ ฝึกมาอย่างดีมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราดูด้วยตาเราก็รู้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวเป็นบุคคลที่มีใจที่ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆภายนอกเพราะเหตุที่ว่าท่านฝึกมาอย่างชำนาญ น, นี่แหละ ซึ่งก็คือการที่ท่านพัฒนาทักษะทั้งนั้นจิตใจของท่านเนี่ยได้อย่างดีมันก็เหมือนกับทหารนี่แหละการที่ทหารที่เก่งเวลาที่ไปรบมันก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ใช่ไหมแต่การที่เรามีทหารที่เพิ่งเกณฑ์มาใหม่แล้วก็ฝึกได้ยังมีชั่วโมงน้อย ยังไม่มีความชำนาญยังไม่เคยออกรบจริงเนี่ยเวลาไปสู้รบจริงๆก็โอกาสยากที่จะชนะหรือโอกาสยากที่จะชนะอย่างเด็ดขาดโอกาสแพ้ก็มีมากขึ้นแต่ถ้าคนไหนได้มีประสบการณ์ผ่านสนามรบได้อย่างหลายสนามแล้วก็ ได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมทำความชนานาญในทักษะที่มีให้มันดีขึ้นได้เนี่ยโอกาสชนะในศึกครั้งต่อๆไปเนี่ยก็มีมากและยังไงเอ่ยก็ได้บอกแล้วว่าธรรมะมันก็เป็นทักษะนะเป็นทักษะที่เราจะต้องคอยหมั่นฝึกฝนให้มันชนานาญเชี่ยวชาญ เพราะนั้นการฝึกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคนที่ฝึกได้อย่างชำนาญหมายความว่าเขามีการฝึกของเขาอย่างต่อเนื่องไม่ขี้เกียจแหะบางั้นเถอะทำก็ทำอยู่ประจำสม่าเสมอแล้วก็ไม่ขี้เกียจที่จะทำทาหยุดหยุดทำทาหยุดหยุดการที่เขาทำอย่างประจำสม่ำเสมอเนี่ยความชำนาญมันก็เกิดขึ้นได้อย่างดีแล้วก็มันก็ได้ซ้อมนั่นแหละได้ซ้อมอยู่เรื่อย ถ้าเราเหมือนเราไปเล่นเกมอะ่ะค่า xp เราก็ต้องแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงบางครั้งมันอาจจะเป็นการที่เราไปเจอเหมือนเราไปเจอคู่ต่อสู้อะ่ะที่มันเลเวลต่ำๆก็ดูเหมือนง่ายๆค่าประสบการณ์อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเพิ่มแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราเจอศัตรูที่ยังไม่เก่งแต่มันเป็นการได้ซ้อมนะ อย่างคนที่เขาเก่งแล้วเนี่ยหรือมีความชํานาญระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแบบในหนังจีนนี่ยถ้าเขาไม่ได้ซ้อมเลยหรือเขาไม่ได้สู้เลยเนี่ยความความชํานาญที่มีเนี่ยมันก็จะลดลงหมายความว่าเอาร่างกายที่เคยได้สู้อย่างคงล่องแคล่วเนี่ยมันก็จะฝืดมันก็จะไม่ได้ดั่งใจอะ่ะมางั้นเถอะ เประนั้นเขาก็ต้องหมั่นขยันซ้อมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้อะไรถึงมันจะเป็นอะไรที่เรารู้แล้วแต่มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าไม่เกิดสนิมร่างกายเราเราก็ไม่ฟืดไม่หนืดได้ออกกำลังมีความแข็งแรงทักษะทางธรรมะ ก, ก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องหมั่นขยันโดยเฉพาะพื้นฐานสำคัญก็คือสติ ถ้าเราฝึกสติได้อย่างดีได้อย่างชำนาญได้อย่างช่ำชองสติเกิดเร็วเกิดล่อยแล้วก็เกิดได้อย่างมีกำลังเนี่ยแน่นอนมันก็จะรู้เท่าทันวาระจิตใจของตัวเราได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราย่อหย่อนเมื่อไหร่เราขี้เกียจเมื่อไหร่แน่นอนแหละอำนาจกิเลสมันก็เฟื่องฟูขึ้นมาแน่นอนความเผลอ ก็ต้องมีมากขึ้นใช่ไหมเผลอไม่พอมันก็ทำให้เกิดมีความยินดีพอใจในการมาสุขมากขึ้นจนถึงขั้นที่ถ้าเรียังปล่อยปละละเลยไปอีกมันก็จะพัฒนาไปเป็นความมัวเมาความสุขในการทั้งหลายซึ่งมันก็เข้าขายเป็นสุดตงทางหนึ่งที่ คนต้องการที่จะพ้นทุกนเนี่ยไม่ควรไปคล้องแวะไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวแต่การที่ทำให้คนที่ฝึกแล้วมีผลลัพธ์คือกลับไปมัวเมาในความสุขในการมทั้งหลายแบบเก่าได้เนี่ยก็คือความย่อหย่อนนี่เองความย่อหย่อนที่มันจะนำพาให้เราเนี่ยย้อนกลับไปสู่เส้นทางเก่า เพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นว่าเราก็ต้องมีความเพียร น, นะนอกจากศรัทธาแล้วที่เรามีในคำสอนว่าผลเนี่ยมันได้ดีจริงความเพียรเราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเข้มข้นขึ้นเพื่อที่อะไรเวลาเรามีความเพียรง่ายงรายเราก็ขยันซ้อมขยันทำให้มันเกิดบ่อยๆทำให้ได้ชนานาญเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่ จะทำให้ธรรมะที่เรามีเนี่ยมันเลเวลมันไม่ตกลงแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาแต่ถ้าใครประมาทเนี่ยความเพียรก็ลดลงหรือว่าหมดไปแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็เคยทําได้แล้วดีแล้วนั่นแหละสนิมมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละสนิมในใจมันก็จะเกิดขึ้นเกาะกินเกาะกินจนวันหนึ่งมันก็พล่งออกมา เป็นความทุกตัวใหญ่ๆซึ่งก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยตอนที่เรายังมีความเพียรดีอยู่ประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่องประกอบความเพียรอย่างเนืนื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยความทุกใหญ่ๆเราก็ไม่เจอแล้วละ่ะผ่านไปได้ละแต่พะมีความประมาทในใจอย่างนี้แล้วเนี่ยความย่อยหยอดตามมาพอตามมาปุ๊บมันก็เป็นสนิมที่มันเกาะกินไปเรื่อยนั่นแหละเอาใจ เราไปกินกินเกาะกินเกาะกินไปความที่มีความยินดีพอใจเพลิดเพลินความสุขในกามทั้งหลายก็มีมากขึ้นใจที่จะหลีกออกจากกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ลดน้อยออกไปมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปอยู่ทางเดิมมีความสุขความทุกข์ในแบบเก่า แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปท่านผ ง, งก็ไม่มีทางอื่นก็ต้องขยันซ้อมนี่แหละซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆเพื่ออะไรเพื่อวันที่เวลาที่เรามีทุกทุกตัวใหญ่ๆที่มันปุบ ป, ปับเข้ามาเนี่ยเราจะได้มีกำลังที่เราจะไว้สู้กับมันพอพูดอย่างนี้ก็เอ๊ะมันโดดเกินไปหรือเปล่า ไอ้ความทุกข์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีมาหาเราเนี่ยมันก็มีทั้งตัวเล็กบ้างส่วนมากมันก็เป็นตัวเล็กนะแล้วพอมันเจอตัวใหญ่ๆทีหนึ่งเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่ได้ขยันซ้อมไม่ได้หมั่นดูแลสุขภาพใจให้ดีเนี่ยพอเจอตัวใหญ่ทีหนึ่งงทีสู้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะ่ะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนยกตัวอย่างเหมือน คนที่พัดพรากจากครอบครัวพ่อตายแม่ตายลูกตายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยสอนใจเรามั่นพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนืองเนี่ยแน่นอนว่าความรักความผูกพันมันก็เกาะเกี่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละในระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้เคยซ้อมเลย ว่าเอยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงล่ะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความตายมันมีกับทุกคนนะเป็นสาธารณะความพลัดพรากมันต้องมาถึงเนะี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งเราละเลยความจริงข้อนี้ไปเอาใจออกจากความจริงข้อนี้ไปปิดบังความจริงข้อนี้ไม่ให้ใจได้รับรู้รับทราบที่ใจเพราะวันหนึ่ง เกิด ป, ป, ปรับปับพ่อตายแม่ตายหรือคนรักตายลูกตายอย่างนี้นะทำใจไม่ได้ไงพอทำใจไม่ได้ก็ทุกข์แหละทุกข์แบบตี อ, อกชกหัวไปหรือไม่เกิดเราป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงยุตัว อ, อย่างอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ย เร่งขั้นสี่ซึ่งมันก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วละ่ะเราก็ไม่เคยซ้อมมาก่อนเนี่ยว่าเออฮคนเรานะ ม, นมันมีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ได้หมั่นซ้อมอย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่ได้คอยเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆยเราก็เหมือนทหารที่ไม่ได้ฝึกอะ่ะไม่ได้ฝึกอยู่เรื่อย แล้วพอมาเจอข้อสอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ไงมันเป็นข้อสอบใหญ่เป็นทัาเปียบเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูระดับแม่ทัพนายกองละเรายังมีสกิลแบบปืบนทหารอยู่เลยเป็นไพร่ลาบทหารอยู่เลยเราจะไปสู้กับแม่ทัพนายกองเนี่ามันสู้ลำบากละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยแล้วเราไม่ได้ซ้อมมาก่อนเนี่ยแน่นอนคือมัน ทำร้ายจิตใจเราอย่างมากนะเพราะอะไรเพราะไอ้คาว่าเราไงเราป่วยพอคําว่าเราป่วยปุ๊บมันเป็นตัวเรานะคนอื่นป่วยไม่เท่าไหร่แต่พอเราป่วยปุ๊บแล้วประกอบกับข้อมูลว่ามันป่วยในลักษณะที่อาการมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลงมันทําให้เราไม่เห็นทางออกอะเพราะว่าเวลาเราป่วยสิ่งที่เรา จะรู้สึกก็คือเราก็อยากจะหายป่วยใช่ไหมพอเราอยากหายป่วยเพื่ออะไรเพื่อเราก็จะได้กลับไปมีความสุขในแบบเดิมๆได้แต่พอเราทราบข้อมูลว่าความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยไม่มีแต่แย่ลงแย่ลงนะมันก็ทำใจไม่ได้งไงทำฟังพอทำใจไม่ได้กับความจริงมันก็ทุกข์ทุกข์แน่นอนเลยทุกข์มันก็เบียดหัวใจเรา ทุกมันก็กดหัวใจเราทุกมันก็ย่ำยีหัวใจเราแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็แบ่งเป็นสองกรณีนะสำหรับกรณีคนที่เคยหมั่นหมั่นที่จะเข้าสมาธิมีสติเท่าทันจิตใจว่าเอ้ยจิตใจเรามันผูกพันกับอะไรไหมมากเกินไปไหมแล้วออความจริงอะที่ว่าไม่มีศาสตร์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาหรือว่า คนเรามีความเก is, ิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราได้ซ้อมเอาสิ่งเหล่าน <ak> ี้ใ <forgiveness> ห้ใจเราได้พิจารณาบ่อยๆให้ใจเราได้ทบทวนบ่อยๆพอทบทวนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเขาก็จะมีผูมิคุ้มกันไงถึงความป่วยไข้ยังไม่มาแต่เราก็ได้ซ้อมไว้ก่อนถึงความตายยังไม่มาเราก็ได้ซ้อมไว้ก่อนถึงความพลัพรากยังไม่มาเราก็ได้ซ้อมไว้ก่อน มันก็เหมือนกับทหารน่ที่เราซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับที่ว่าเลี้ยงคนพันวันหมื่นวันเนี่ยเพื่อที่ไะไรเพื่อให้เขามีศักยภาพเพื่อให้เขาแข็งแรงแล้วเราถึงเวลาที่จะต้องใช้เนี่ยเราก็ใช้เข า, เขาไปทำงานลักษณะเดียวกันเลยเราซ้อมอยู่ทุกวันซ้อมอยู่ทุกวันซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอมันเกิดเหตุการณ์เช่น ความป่วยไข้หรือความพลาดพลากเนี่ยมันเข้ามากระทบเราเราก็มีเกราะนี่แหละเกราะคือการที่เราพิจารณาไว้ดีแล้วใคร่ครวนไว้ดีแล้วว่าเออจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้คนเรามันเกิดมามันก็ต้องมีแก่มีป่วยมีตายมีความพลาดพลากแน่นอนแหละแล้อย่างหนึ่งถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นจริงให้มันได้อย่างดีแล้วมันไม่มีใครไม่ตาย และอย่างหนึ่ไงไงความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันไม่มีจริงมันเป็นแค่ของยืมใช้ในในสมมติอันนี้พอเราหมดอัตภาพคือตายมาถึงปุ๊บล้วก็คืนอันนี้ไปแล้วก็ถ้าเรายังมีเกิดอีกเราก็ไปใช้ของใหม่ก็กลับมาวนเวียนวนเวนีย น, น, น, นอยู่ในวัฏจักรแบบนี้นั่นแหละแต่ที่สาคัญในระหว่างที่เราวนเวียนอยู่อันเนี้ยเราได้ ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกับความจริงตรงนี้ไหมถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้เราทําความเข้าใจสอนใจเราอยู่บ่อยๆถึงความจริงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้กับใจเราอ่ะทีนี้เราก็กลับมาในเคสที่คนที่ไม่ได้เตริมตัวมาก่อนพอเจอแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสตินะมีสติก่อน มีสติคอยที่จะดูแลจิตใจแล้วก็ต้องมีเครื่องอยู่ที่ดีให้ใจด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องอยู่ที่ดีเนี่ยก็เอามาดูลมหายใจก่อนก็ได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราผ่ะออกจากความคิดผ่าออกจากความกังวลถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนมันกลับไปคิดกลับไป ทบทวนใกล้ครัครวแล้วมันก็จะเกิดความกังวลขึ้นว่าโอ้ยเราป่วยเรารักษาไม่หายเราจะทำยังไงดีคิดวนไปวนมามันก็วนวนหาทางออกไม่ได้นั่นแหละแล้วลมันก็ทำให้ใจเรายิ่งหดหูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจัดการมันก็คือจัดการดึงใจเราออกจากวังวนในความคิดอันนั้นออกมาก่อนหาเครื่องอยู่ให้ใจก่อนซึ่งบางคนก็บอกว่าเออเราก็ไปหาอะไรทาสิ หา ก, กิจกรรมทำทำนุ่นทำนี่ไปมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่การที่บางครั้งเนี่ยเราเอากิจกรรมมาช่วยแก้มันเป็นภายนอกไงแต่ถ้าความกังวลของใจมันยังแอบหนีออกไปไปหาเรื่องที่มันยังคอยกังวลอยู่กิจกรรมภายนอกมันก็จะตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่จะต้องดาเนินไปควบคู่กันกับ กิจกรรมภายนอกที่เราเอาจะมาช่วยเหลือเราไม่ให้เราไปอยู่ในวังวนของความคิดแย่ๆนั้นแล้วเนี่ยก็คือสตินี่แหละสติที่เราคอยเท่าทันความคิดว่าเอ้ยมันหนีแล้วนะหนีกลับไปคิดถึงเรื่องป่วยไข้คิดถึงเรื่องความพัดพล่าแล้วมันก็มาทำร้ายจิตใจตัวเองเพอ ร, ร, รู้อย่างนั้นปุ๊บเราก็ดึงกลับออกมา ไม่ใส่ใจความคิดเอาความใส่ใจของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่พุทโธหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นแหละไม่ว่าร่างกายมันจะดีมันจะเลวยังไงเราถวายความดีความเลวของร่างกายในยถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเราก็มารักษาใจของเราถวายใจของเราด้วยให้กับพระพุทธองค์ให้พระพุทธองค์เป็นที่พึ่งของของใจเรา ให้ท่านเป็นพุทธังสารนังคะฉามิให้ท่านเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราจริงๆใจเราไม่เอาไปผูกไว้กับร่างกายละร่างกายมันเป็นหน้าที่ของหมอของคนรอบข้างที่จะคอยดูแลกันไปแต่ใจเราเนี่ยเราต้องเป็นคนดูแลเองเพราะนั้นใจเราไม่เกี่ยวกับร่างกายเอาใจเราเนี่ยมาฝากไว้กับพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาทำความดีฝึกสติถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องอยู่ให้ใจของเราเพื่อที่ให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปกลมกลืนกับร่างกายให้มันเป็นเรื่องกังวลกับใจเอาใจของเราถวายพระพุทธเจ้าถวายพระพุทธองค์ไว้เพื่อให้ท่านเป็น ที่เกาะเกี่ยวที่พึ่งของใจพอาทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่ที่จะผลิตสติมีเครื่องอยู่ที่เราจะดูแลรักษาจิตใจเราควบคู่ไปกับกิจกรรมภายนอกนะอย่าลืมเราต้องมีกิจกรรมภายนอกที่เราจะคอยดูแลรักษาจิตใจเราไปด้วยเพื่อที่อะไร เพื่อที่เราจะได้มีอะไรทำนั่นแหละไม่งั้นมันก็อยู่กับร่างกายที่มันป่วยไข้แล้วมันก็กลับไปคิดเหมือนเดิมกลับไปกังวลเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีกิจกรรมที่ดีเราทอดอะไรจากความดีไม่ดีของร่างกายเราได้เราก็ไปหาอะไรทำให้มันเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างเช่นกิจกรรมที่ดีภายนอกอาจจะไปช่วยงานสาธารณะหรือไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันก็จะเ อ, อื้อมาที่จะดูแลจิตใจเราเ อ, อื้อทำให้ใจเราหลุดออกจากความคิดหลุดออกจากวังวนแย่ๆทำให้ใจเรามีกำลังใจดีขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นนั่นแหละว่าใจที่มันไม่เ ก, ก, กาะเกี่ยวกับร่างกายที่มันไม่กังวลกับร่างกายเนี่ยมันมีความสุขได้นะมันไม่ใช่ว่าป่วยกายแล้วป่วยใจตลอดป่วยกายแต่ใจยังสบายอยู่ได้ พอเราเห็นผลตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจที่เราจะทําให้มันดีขึ้นรักษาใจให้มันแข็งแรงขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีกป่วยกายก็ส่วนป่วยกายไปแต่ใจเนี่ยเรามีหน้าที่ที่เราทําให้มันแข็งแรงทําให้มันสดชื่นมีกําลังขอให้ทุกท่านขยันหมั่นซ้อมซ้อมเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในจังหวะที่เราจะต้องใช้จริงๆ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแล้วคราวหน้าค่อยมาพบกันใหม่จเจรินพร